b o า k 2 53ามร้านค้ารเรากำลังมองหาร้านขาเครื่องกีา้านคกาง้ากเรามองหาร้านขายเครื่องกีฬาเรงมองหาร้านขายเครื่องกีฬามารเ เ l ร t a n o l a h r a g าเรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ kami m e n ง a าร sebuah t o k ร daging เรากีงามองหาร้านขายยามองหาร้านขายยาเรามเราม้เราองาร้องาร้อ้อลอ kami ingin membeli sebuah bola kaki เราต้องการซื้อสม kami ingin membeli daging asap เราต้องการซื้อยา kami ingin membeli obat o b a t a n เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล kami มัารืกีอจะซือลูกฟุตบอลเรามราเรกีาลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อลลามีร่กีฬาเพื่อจะก membeli daging อาศัพเรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา kami mencari apotek untuk membeli obat-obatan ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ saya mencari toko perhiasan ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ Saya mencari toko peralatan foto ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน Saya mencari sebuah toko kue อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน créued incapaces อ Your ันที่จริงิงดฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ créued a ันะบบวางอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน Saya mencari sebuah toko perhiasan untuk membeli sebuah cincin ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิมาามอาลม Saya mencari sebuah toko peralatan foto untuk ซื้อฟิลม์มดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้กฉันกำลังมองหาร้บบาโโนขายขนม u วานเพ e ่อจะซื้อ